การแสดงถึงการสามเนี่ยพระองค์แสดงทั้งของพระองค์และของผู้อื่นเนี่ยนะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงอดีตของพระองค์อย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงชาติหนึ่งสองชาติสามชาติสีชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห0าสิบร้อยพันมื่นแสน ต, ตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากว่าแสดงถึงอดีตของพระองค์นะว่าอดีตของพระองค์นั้นในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้น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 อย่างนี้ว่าแสดงอดีตของผู้อื่นแสดงในหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสา1สิบ0ี่ิบห้าร้อยพันแสนชาติตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากว่า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 พระองค์นี้แสดงชาติก่อนเป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีดอย่างเช่นในชาดกนะเราจะได้ยินบ่อยคือเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้เคยเป็นอย่างนี้แม่อดีตชาติแล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะคนโน้นเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเรื่องเรื่องสำนวนว่าเรื่องนี้หนังหนังม้นเก่าๆนะฉายซ้ำเท่านั้นแหละเรื่องแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนเดิมนั่นแหละ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 ชาติก่อนของตถาคตปรารถถึงอดีตการมีอยู่ตถาคตหวังจะรู้ชาติก่อนเท่าใดก็จะระลึกชาติก่อนได้เท่านั้นใครว่า แ, แค่นึกประสงค์จะรู้นะรู้หมดเลยจะอดีตยาวขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะ่ะจะเนินจะนานขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะ่ะกียรติสงขัยก็ได้เนี่ยนะประสงค์จะรู้เท่านั้นนะรู้ได้เลยหรือว่าแม้กระทั่งดูก่อนจุนทะยานอันตามระลึกถึงชาติหน้าของตถาคตปรารถของตถาคต น, นั้นมีอยู่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 อนาคตเนี่ยปฏิสนธิไม่มีอีกต่อไปหรืออินดิริยะปะโรปรยิยตยาณเนี่นะยญาณเป็นเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเช่นใครมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญามากใครมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอ่อนพระองค์มีอาสยานุสยายานเนี่นะยญาณที่ยังรู้อาศัยและอนุสยะ ยกว่ายังยังรู้ถึงอัธยาศัยของเขาว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไรหรือกิเลส ท, ที่มีกำลังของเขาเนี่ยนะกิเลสเขาเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ก็ยังสามารถแสดงยมกะปาฏิหาริย า, ยานเนี่ยนะยมกะปาฏิหารก็คือเป็นยานที่แสดง อ, อิทธิปาฏิหารแบบคู่ ค, คู่ท่อน้ำท่อไฟไหลออกมาเป็นคู่ ค, คู่ทางตาทางพระเนตรพระกันเนี่ยนะช่องตาช่องหูช่อ ง, องจมูกช่อง ร่างกายตามขมขนตามสรีระข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะเรียกว่ายมกะปาติหาริยายานและพระองค์ก็ยังมีมหาการุณาสมาบัติยานยานที่ประกอบไปด้วยมหาการุณาแสวงป เ, เห็นใจในสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์มีสัพพัญยุตยานยานที่สัพพัญยูนะก็คือรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังขาร น, นิพพานบัญญัติวิกาล ร, รูปเนี่ยรู้หมดเลย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 อปรณิเห ต, หต ย, ายานไม่มีอะไรกลางกั้นในการสามทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ยังมีอาสาธาานญาณหกคืออินทรียะโปรโปริยตญาณอาสานุสยาญาณยมกะปปิหารญยาณยมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอันเมื่อพระองค์มียาณอย่างนี้ด้วยสมบูรณ์ขณะนี้พระองค์แสดงไม่อดีตแสดงอนาคตแสดงปัจจุบันของพระองค์และก็ของผู้อื่นอย่างนี้ คำว่าความวันไหวอะนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความหวันไหววันไหวนี่เป็นเชื่อของตันห่าวันไหวด้วยตันหาราคาสราคาอภิชาโลภากุศลรมูลเรียกว่าความวันไหวตันหาอันเป็นความหวันไหวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าไม่มีความวันไหวไม่มีความวันไหวแม้แต่นิดเดียวตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้วันไหวนะสมมติว่ารู้ว่าจะได้อะไรก็วันไหวรู้ว่าจะต้องเสียอะไรไปที่ตัวเองชอบนะจะต้องหมดวัตถุนั้นนก็วันไหววันไหวเพราะความห่วงเห็นในสิ่งนั้นๆอย่างสมมตินะอย่าง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 พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวเพราะทรงละความหวั่นไหวเสียแลว้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงไหวไม่ทรงหวั่นเนี่ยนะไม่พรั่นไม่พึ่งแม้ในลาบแม้ในความเสื่อมลาบในยศในความเสื่อมยศในนินทาสรรเสริญในสุขในทุกเนี่ยนะซึ่งปกติสัตว์ทั้งหลายก็หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมีลาบก็หวั่นไหวล่ะเสื่อมลาบก็หวหั่นไหวได้ยศเนี่ยนะได้ยศเน้นบริวารยศเป็นต้นเนี่ยนะ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 ปกติผู้ที่สงสัยก็สงสัยในอริยสัจสี่สงสัยในทุกขสมุทัยนิโรธมักสงสัยในอดีตในอนาคตในทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแต่ในความสงสยัยอันเนี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วตัดขาดบัญทอนสงบระ ง, งับเสียแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยามเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงตัดความสงสัยได้แล้ว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 ข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าว่างั้นคือเข้ามาเฝ้าเพื่อให้พระองค์ไห้ทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งเพื่อทรงเฉลยเป็นต้นสรุปความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงมีความหวั่นไหวด้วยตัณหาทรงตัดเสียซึ่งความสงสัยคือวิจิกิจฉาทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแห่งอภิญญาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงอดีตอดีตของตนอดีตของผู้อื่นเป็นต้นข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหา จึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีคุณธรรมคือไม่วันไว้ตัดความสงสัยถึงฟังแล้วก็สามารถแสดงอดีตทุกอย่างแม้กระทั่งอนาคตและปัจจุบัน น, นี้ก็เป็นคาชมเล่าถึงความประสงค์ของตนก่อนทีนี้มาปัญหาที่จะสงสัยที่ต้องการถามว่าข้าแต่พระสกกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรู ป, ปรสัญญาอันผ่านไปแลว้ว ละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นอะ่ะควรแนะนําอย่างไรคําถามนี่ลึกซึ้งมากอะนะถ้าได้อากินจัญญยา ย, ยตนะแล้วนะ่ะอแนะ น, นำยังไงต่อไปเนะถ้าได้อากินจัญญา ย, ยตนะแล้วอะ่ะแนะนํำยังไงต่อไปเนี่ยะคําถามเขาเนาะนะโอ้ไม่ธรรมดานะได้อากินมาแล้วนะอ่ะนะออ อธิบคําวมารูปประสัญญาเนี่ยนะรูปประสัญญาก็คือสัญญาความจําความเป็นผู้จําของผู้เข้ารูปปาวจรสมาบัติแต่คำว่ารูปประสัญญาเนี่ยหมายถึงรูปปาวจรฌานหรือของบุคคลผู้เข้าถึงแล้วซึ่งรูปปาวจรพบหรือว่าของบุคคลผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้ชื่อว่ารูปประสัญญารูปประสัญญาเนี่ยนะก็คือรูปปาวจรกุศลรูปปาวจรวิบากรูปปาวจรกิริยา รูปาวจรกุศลก็มีห้นะระดับปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานจตุทัชฌานและปัญจมาชฌานส่วนวิบากก็คือวิบากของฌานทั้งห้าที่กล่าวไปส่วนรูปาวจรกิริยาของผ้ารหันทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมนะ่นะ คำว่าผู้มีรู ป, ปรสัญญาอันผ่านไปแล้วคือรู ป, ปรสัญญาของบุคคลผู้ได้อารูปสมาบัติสี่เป็นสัญญาผ่านไปแล้วหายไปแล้วล่วงไปแล้วเลยไปแล้วเป็นไปล่วงแล้วก็เรียกว่าผ่านรูปประชานหมดแล้วอะรูปประชานเนี่ยได้สบายมากผ่านแล้วอะ